คำว่าผู้กล่าวตูอย่างนั้นคือภิกษุผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่อนอันตรายก็หาสามารถก่อนอันตรายแก่ผู้ส่งเสพได้จริงไหมที่ชื่อว่าผู้ที่สง์ยังไม่ได้ทำธรรมอันสมควรคือภิกษุนั้นถูกสงลงอุเคปนิยกรรมแล้วแต่สงยังไม่ได้เรียกเข้าโม คำว่ากับยังไม่ไยอมสลัทิฏฐินั้นคือร่วมกับผู้ที่ยังไม่ยอมสลัความเห็นนั้นคำว่าคบหาอธิบายว่าที่เรียกว่าคบหาได้แก่การคบหาสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งคบหาทางอามิต h วงเล็บสองคบหาทางธรรมที่ชื่อว่าคบหาทางอามิต h คือภิกษุให้อามิตรหรือรับอามิต h ต้องอบัติปาจิตตี ที่ชื่อว่าคบหาทางธรรมคือภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นบทต้องอบัตตปาริจิตีทุกๆบทภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นอักษรต้องอบัตตปาริจิตีทุกๆอักษรคําว่าอยู่ร่วมความว่าภิกษุธรรมอุโบสถตวรรนาหรือสังฆกรรมร่วมกับภิกษุผู้ถูกสง์ อเคปนิยกรรมต้องอบัตติจิตตีคำว่านอนร่วมกับอธิบายว่าในที่ที่มีหลังคาเดียวกันเมื่อภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมนอนภิกษุก็นอนต้องอบัตปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมก็นอนภิกษุที่นอนด้วยต้องอบัตปาจิตตีหรือนอนทั้งสองรูปก็ต้องอบัตปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับนอนอีกต้องอบัตปาจิตตี